มาจากที่ไหนกันสามคนนี่ศีรชาค่ะศีรช้าฮะในเมืองค่ะเมืองศรชาเลยเมืองพัทยานาชาศีรชาบางประบางพระในเมืองค่ะเมืองอะไรชมพูเลยนชมพูเล่น เคยมาบ่าวเคยมาบ่ า, า, ามาแล้วได้อะไรบ้างเดี๋ยนี้อยู่ที่บ้านก็ติดตามสดถ่ายทอดสดได้มีรับมีเครื่องรับบ่าวมีมือถือบ่า มีถ่ายทอดสดทุกวันเลยนะติดตามได้อยู่ที่ไหนทั่วโลกมีคุณบางเอินอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เราติดตอด่อติดตามทุกวันเลยบางเอินใช่ไหมชื่อบางเอิน ส่งข้อความมาทุกวันอยู่อยู่ที่ไหนเดียวนี้ก็เหมือนกับอยู่ที่บ้านเราเพราะเราสามารถติดตามข่าวสารติดต่อกันได้อย่างง่ายดายสมัยที่เราไปเรียนหนังสือที่สารัฐตอนนั้นติดต่อกันยากโทรศัพท์ทางไกลก็ ติดต่อยากเพราะถ้าที่บ้านไม่มีโทรศัพท์ก็ติดต่อไม่ได้ก็ได้แต่เขียนจดหมายจดหมายกว่าจะส่งมาถึงก็หลายวันกว่าเขาจะอ่านกว่าเขาจะตอบกลับไปก็หลายวันบางทีลืมไปแล้วว่าเขียนอะไรไปแล้าท๊ะใบนี้ส่งปั๊บกลับมาปุ๊บเลยด่ากันไปด่ากันมาได้ รวดเร็วใครพูดอะไรไม่พอใจป๊บเดี๋ยวกลับมาแล้วมันก็มีทั้งคุณมีทั้งโทษมันเป็นเครื่องมือถ้ารู้จักใช้มันก็เป็นคุณถ้าไม่รู้จักใช้มันมันก็เป็นโทษเหมือนกับมีดมีดนี่ถ้าใช้เป็นก็ทําประโยชน์ได้หลายอย่าง ถ้าไม่เป็นก็อานมาทิมแทงตนเองหรือทิมแทงคนอื่นได้แทนการที่จะมีอะไรนี่ต้องมีสติมีปัญญาถึงจะใช้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ได้ถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาก็ใช้ให้เกิดโทษได้ เ, เงินทองนี้จะใช้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ก็ได้ใช้ให้เกิดโทษก็ได้ใช้อย่างไรใช้ให้เกิดโทษก็ใช้ไปในเรื่องอบายามุกใช้กับอบายามุกต่างๆเอาไปเื่งการพนันเดิมพูรายาเมา้าไปเที่ยวกลางคืน การใช้เงินแบบนี้ก็จะทำให้หมดเนื้อหมดตัวได้เพราะการใช้เงินแบบนี้มันจะทำให้ติดต้องใช้อยู่เรื่อยๆแล้วไม่มีรายได้มีแต่รายจ่าย การใช้ที่ให้คนให้ประโยชน์ก็มีสองทางใช้กับร่างกายใช้เลี้ยงดูร่างกายซื้ออาหารซื้อยารักษาโรคซื้อเครื่องนุง่งห่มซื้อที่อยู่อาศัยอะไรแบบนี้ก็เป็นคุณเป็นประโยชน์ถ้า ใ, ใช้เพื่อให้เกิดคุณประโยชน์กับ จิตใจก็เอาไปทำบุญทำทานถ้าใช้ให้เกิดโทษก็ไปซื้อของฟุ่มฟยซื้อของที่ไม่จำเป็นซื้อของที่เรามีพอแล้วเป็นเสื้อผ้ามีพอแล้วแต่เวลาเดินห้างทีไรเห็นเสื้อผ้าสวยๆงามๆก็อยากจะได้ เห็นอะไรสวยๆเงางามก็อยากจะได้นะถ้าซื้อตามความอยากมันก็จะติดเหมือนติดยาเสพติดก็อยากจะซื้อไปเรื่อยๆซื้อเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอเราก็จะทำให้เราต้องหาเงินหาทองมาซื้ออยู่เรื่อยๆ แล้วถ้าต้องการหาเร็วๆหาง่ายๆก็จะทำบาปทำผิดกฎหมายได้ก็จะนำไปสู่ปัญหาทำผิดกฎหมายก็ติดคุกติดตารางทำบาปเวลาตายไปก็ต้องไปใช้บาปในอบาย ไปเกิดเป็นเดลชานไเป็นเป็นเปรไปตกนรกเนีอันนี้เป็นการใช้เงินที่ให้เกิดโทษถ้าไม่มีสติปัญญาของพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราพวกเราก็จะไม่รู้กันเรื่องการใช้เงินตะตามความอยากใช้เงินเพื่อหาความสุขต่างๆ พระอาจาบอกว่ามันเป็นมันความสุขแบบยาเสพติดได้แล้วก็ติดแล้วก็ต้องหามาเรื่อยๆไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆไปโรงภาพยนต์ไปโรงละครไปงานเลี้ยงต่างๆไปสถานบันเทิงต่างๆไปอยู่เรื่อยๆ เพราะความสุขนี้มันเป็นความสุขแบบยาเสพติดมันสุขเฉพาะตอนที่เราได้เสพพอเราไม่ได้เสพมันก็ทุกข์อันนี้เป็นโทษอย่าไปใช้เงินแบบนี้ใช้เงินให้เกิดคุณประโยชน์ก็เอามาทำบุญแทนเงินที่เราทำบุญทุกบาททุกสตางค์นี้เป็นของเรา มันจะรอเราอยู่เวลาเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เหมือนเราเงินไปฝากไว้ในธนาคารไม่สูญหายนอกจากไม่สูญหายแล้วยังมีดอกเบี้ยเพิ่มให้ด้วยเงินฝากเงินไว้ในชาตินี้ชาหน้าเรากลับมาเกิดใหม่ถ้ามาหลาย หลายร้อยปีคิดที่ดอกเบีย้ยมันทบต้นมันจะไปเท่ทาไหร่ปากร้อยหนึ่งกลับมาอาจจะได้พันสอง0ันหรือหมื่นหนึ่งนี่คือการทําบุญที่จะทําให้การใช้เงินที่จะทำให้เกิดประโยชน์กับจิตใจของพวกเราการใช้เงินเราก็ใช้สองเป้าหมายให้เกิดประโยชน์กับร่างกาย และให้เกิดประโยชน์กับจิตใจใช้อันไหนที่เป็นโทษกับร่างกายกับจิตใจก็อย่าไปใช้เช่นใช้ไปซื้อเดื่มสุรายาเมาเนี่ยเป็นโทษทั้งร่างกายและเป็นโทษทั้งจิตใจร่างกายก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยจะตายก่อนวัยอันสมควรจิตใจก็จะไม่มีสติสตัง ไม่มีความมั่นคงไม่มีความมั่นใจในตัวเองเวลามีความรู้สึกไม่มั่นใจก็เดิมสุราเพื่อดับความไม่มั่นใจอันนี้เป็นโทษใช้เงินที่เป็นโทษถ้าไม่มีสติปัญญาก็มักจะใช้เงินไปในทางที่ผิดกัน ผิดสองระดับระดับที่เลวยก็คือเอาไปเล่นการพรนานเอาไปดื่มสุรายามเมาเอาไปเที่ยวที่เมาหน่อยก็เอาไปาซื้อของไม่จำเป็นต่างๆซื้อข้าวซื้อของซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรที่มันไม่จำเป็นต้องซื้อ อยากได้เห็นแล้วอยากได้เอาเงินมาทำบุญดีกว่าทำบุญคือบุญแปลว่าความสุขใจการเอาเงินมาทำบุญก็คือเอาเงินมาให้ผู้อื่นเรียกว่าทานทานเป็นการแบ่งปันแปลว่าเป็นการให้ ทานแปลว่าให้ให้อะไรให้เงินทองเพื่อเขาจะได้เอาไปซื้อของที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับร่างกายของเขาเช่นเราทาบุญกับคนที่ขาดแครนในปัจจัยสี่พระสององค์เจ้าก็ขาดแครนในปัจจัยสี่ท่านก็หาบินฑบาตอาหารท่านก็ไม่สะสม ได้มาวันนี้ก็เอาแค่วันนี้อาหารเหลือก็แจกให้คนอื่นไปแบ่งให้คนอื่นไปไม่เก็บสะสมไว้ไวหาวันต่อไปอยู่แบบไม่สะสมมันสบายมันไม่ต้องมาวุ่นวายไม่ต้องมากังวลยิ่งมีสะสมมากก็วุ่นวายมากกังวลมาก กลัวจะหายกลัวจะคนกลัวคนนั่นคนนี้จะมาขอกลัวเขาจะมาขโมยกลัวจะถูกไฟไหม้กลัวจะถูกน้ำท่วมกลัวไปสารพัดเนี่ยมีแทนที่จะมีความสุขกับมีความทุกข์กับมันนั้นอย่าไปมีมันดีกว่าถ้ามีแบบนี้หากินไปวันวั น, วนหนึ่ง เออย่างมากก็แค่ตายเอได้คิดว่าเราสักวันหนึงก็ต้องตายอยู่ดีต่อให้สะสมไว้มากเท่าไหร่อมันก็ตายไปอยู่ก็อยู่แบบทุกข์อยู่กับวุ่นอยู่กับความกังวลอยู่กับความวุ่นวายอยู่แบบนั้นอยู่ไปทําไมีเวลาอยู่มันต้องอยู่แบบไม่กังวลอยู่แบบไม่วุ่นวาย ไม่กังวลไม่วุ่นวายก็คือต้องยินดีต้องพร้อมที่จะอดพร้อมที่จะตายเพราะเรื่องความอดความตายนี่มันเป็นเรื่องของโลกนี้เกิดมาทุกคนมันจะต้องเจอกันความตายนี่ก็ต้องเจอกันความอดอยากขาดกันบางครั้งบางคราวมันก็ต้องมีบ้างมันเป็นเรื่องปกติถ้าเรา ฝึกฝนตัวเราให้อยู่กับคนอดอยากขาดการได้อยู่กับความตายได้เราจะอยู่อย่างสบายใจทุกวันนี้พวกเราอยู่กันแบบไม่สบายใจกันกังวลวิตกกลัวอดกลัวอยากกลัวตายกันอยู่แบบนี้อยู่ไปทาไมอยู่กับความทุกข์สู้อดตายไม่ไม่ดีกว่าหรือ อดตายถ้ายอมอดยอมตายแล้วจะไม่ทุกข์ไม่กังวลจะไม่เดือดร้อนเพราะมันต้องถึงเวลาที่จะต้องเจอวันอดมันตายวันอดที่ต้องทุกคนจะต้องเจอคือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็กินไม่ได้กินไม่ได้มันก็อดแต่หมอก็ไม่ยอมให้อดอป้อนทางสายยางให้อีก มันก็เลยทมให้อยู่เป็นแบบทรม า, านไปแารที่จะให้มันอดตายไปเร็วๆมันกลับมาทรมานอยู่กับสายยางอยู่กับอะไรอีกแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอนกระเดากระเดาไปวันๆหนึ่งก็รอความตายอยู่ดีก็ทำให้มไม่ปล่อยให้มันตายไปหมดเรื่องหมดเลวาไปปล่อยให้ตายนี้ไม่ได้เป็นการฆ่าตัวตายนะต้องเข้าใจ การฆ่าตัวตายนี้หมายถึงเอายาพิษมากินเอามีดมาทิ่มมาแทงเอาปืนมายิงร่างกายให้มันตายอย่างนี้เรียกว่าฆ่าตัวตายแต่ถ้าไม่กินนี้ไม่ได้ไม่กินไม่ดื่มว่าะมันกินไม่ได้ดื่มไม่ได้ก็ปล่อยให้มันอดตายไปอย่างนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายไม่บาป ทีก็อยู่แบบทรมานไปถึงเวลามันจะไปให้มันไปมันไม่ใช่ตัวเราของเราอขึ้นมาทางนี้ดีกว่าขึ้นทางข้างหนะ้าตรงนี้มันเต็มให้คิดถึงความตายกันบ้างนะความตายเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกาย ถึงเวลามันจะไปให้มันไปมันเป็นเหมือนรถยนต์คันนึ่งถึงเวลาต้องเปลี่ยนรถยนต์เวลารถเก่าเราพอมีเงินเราจะเก็บรถรถเก่าไว้ไหมเ ป, เปลี่ยนใช่ไหมถ้าเรามีบุญเราก็เปลี่ยนรถเก่าไปเปลี่ยนร่างกายเก่าไปกลับมาได้ร่างกายใหม่ที่ดีกว่าเพราะฉั้นทำบุญไว้เยอะ การใช้เงินที่ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์เป็นเนี่ยเอาเงินมาทําบุญแล้วเงินทําบุญนี้จะทําให้เราได้ร่างกายคันใหม่อันใหม่ที่ดีกว่าร่างกายอันเก่ากลับมาเกิดร่ํารวยกว่าเก่าสุขสบายกว่าเก่าก็ามีเงินทองที่เราฝากไว้ในธนาคารบุญเราพอมาเกิดก็จะเกิดในครอบครัวที่ร่ํารวย ไม่ต้องไปดิ้นรนหาเงินหาทองนะไม่ต้องไปเสียดายร่างกายนี่นะร่างกายนี่มันเป็นเหมือนรถยนต์ที่เราใช้เอาไปทำตามความอยากต่างๆตามใดที่เรายังมีความอยากอยู่ตาบนั้นเรายังต้องมีร่างกายอยู่เหมือนกับตามใดที่เรายังต้องเดินทางไปไหนมาไหนอยู่ แบบนั้นเราก็ยังต้องมีรถยนต์กันเพอมีรถยนต์มันก็ทำให้เราเดินทางไปไหนมาไหนสะดวกสบาย <c oughs> ถ้าไม่ถ้าเราไม่ต้องเดินทางไปไหนมาไหนเราก็ไม่ต้องมีรถยนต์เราอยู่บ้านได้ไม่เดือดร้อนใจเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีความอยากเราก็ไม่ต้องมีร่างกายก็ได้ เพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายทาตามความอยากต่างๆอยากดูอยากฟังอยากริ่มลดอยากดมกลิ่นอยากสัมผัสสิ่งต่างๆทางร่างกายก็ต้องมีร่างกายต้องมีตาหูจมูกนิ้นกายถึงจะสัมผัสได้ถ้าเราเลิกความอยากได้ไม่ทำตามความอยากได้ร่างกายก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับเรา พอร่างกายนี้ตายไปเราก็ไม่ต้องมาหาร่างกายอันใหม่เหมือนกับรถยนต์ถ้าเราไม่ต้องออกไปนอกบ้านแล้วรถยนต์ก็เกะกะเปล่ปาๆจอดทิ้งไว้ก็เอาไปขายทิ้งดีกว่าเราก็ไม่ต้องซื้อคันใหม่ก็อยู่บ้านสบายกว่าออกนอกบ้านแต่ละครั้งนี่มันเหนื่อยนะไปติดรถบนท้องถนน ไปเสี่ยงภัยกับอุบัติเหตุต่างๆอยู่บ้านแสนจะสบายแต่อยู่กันไม่ได้เพราะความอยากอยากทำนู่นทานี่อยากไปนั่นอยากมานี่อยากดูนั่นอยากฟังนี่มันก็เลยทำให้ต้องออกนอกบ้านกันถ้าไม่มีความอยากก็อยู่บ้านสบายกว่าบ้านมีทุกอย่างถ้าต้องการ สิ่งจำเป็นก็ไปซื้อมาไปหามาเก็บไว้อ น, นานๆก็ออกไปครั้งหนึง่งเช่ารถก็ได้เหมาแท็กซี่ไปก็ได้ไม่ต้องมีรถยนต์ไม่ไม่ไม่ต้องขับมีคนขับให้เสร็จรับส่งสบายความอยากนี่เป็นตัวที่ทำให้เราวุ่นวายกันไม่รู้จักจบจากสิน้น มีร่างกายก็อยากอยู่นานๆอยากไม่ให้มันตายก็วุ่นวายกับความตายกันกลัวความตายกันวุ่นวายกับความเจ็บไข้ได้ป่วยกันพราเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยก็เหมือนรถเสียรถเสียก็ไปไหนไม่ได้ก็ต้องเอารถไปซ่อมต้องรอให้ซ่อมเสร็จก่อนเสร็จแล้วถึงจะไปไหนมาไหนได้ร่างกายไม่สบายก็ต้องรักษาก่อน ช่วงที่รักษาก็ทำอะไรไม่ได้ช่วงนั้นก็หงุดหงิดลำคาญใจพอรักษาหายก็ไปออกไปต่อละไปทุนนู่นทํานู่นทํานี่ไปแล้วเดี๋ยวก็ไม่สบายมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงวันตายตายแล้วก็ยังมีความอยาก ความอยากไม่ตายไปกับร่างกายความอยากไม่ได้อยู่ในร่างกายความอยากอยู่ในใจใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากก็เลยพากลับมาเกิดใหม่ก่อนจะกลับมาเกิดใหม่ก็ต้องแวะไปใช้ใช้บุญใช้บาปก่อนถ้าทำบุญไว้ก็ไปรับผลบุญได้ไปท่องเที่ยวในสวรรค์ถ้าทำบาปก็ไปท่องเที่ยวในอบาย แล้วพอพอใช้บุญใช้บาปแล้วก็มากลับมาได้ร่างกายอันใหม่กลับมาอยู่แบบวิตกกังวลวุ่นวายเหมือนเดิมชาตินี้เคยวิตกกังวลวุ่นวายอย่างไรชาติต่อไปก็วิตกกังวลวุ่นวายเหมือนกันอยากเหมือนกันหิวเหมือนกันเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงตรงที่ สถานภาพดีกว่าเก่าหรือเร็วกว่าเก่าถ้าเป็นบุญพามาก็ดีกว่าเก่าถ้าบาปพ า, าก็เร็วกว่าเก่านั้นต้องมาทำบุญกันอย่าทำบาปกันถ้ายังจะเวียนว่ายตายเกิดในภพที่ดี ก็ต้องทำสองอย่างนี้ทำบุญและไม่ทำบาปตายไปก็ไม่ไปอบายตายไปก็ไปสวรรค์กลับมาเกิดก็ดีกว่าเดิมแต่ก็ยังต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาวุ่นวายกับการมีชีวิตเนี่ยกับการดำรงชีพต้องดินลนต่อสู้ ปากกาตีมถีเพื่อเลี้ยงร่างกายแล้วก็หาเงินเพื่อมาหาซื้อความสุขต่างๆที่เป็นเหมือนกับยาเสพติดการใช้เงินไปซื้อความสุขต่างๆนี้เหมือนกับไปซื้อยาเสพติดเสพแล้วมันก็ติดแล้วก็ไม่พอไม่อิ่มต้องเสพอยู่เรื่อยๆถ้าอยากจะใช้เงินก็นจะซื้อ ซื้ออาหารมาให้กับใจอย่าไปซื้อยาเสพติดอาหารของใจก็คือบุญนี่เองการที่จะเอาเงินไปทำตามความอยากต่างๆไปเที่ยวไปดูไปฟังไปกินไปดื่มเอาเงินไปทาบุญอันนี้เหมือนกับเอาเงินไปซื้ออาหารให้กับใจเพราะการทาบุญจะทำให้มีความสุขใจอิ่มใจจะทำให้ไม่หิวกับการไป มีความอยากต่างๆการทำบุญนี้ระ ง, งับความอยากได้ทำให้อยากเที่ยวน้อยลงอยากซื้อของฟุ่มเฟือยน้อยลงอยากซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายน้อยลงเพราะใจอิ่มใจมีอาหารต้องใช้เงินให้ถูกวิธีต้องซื้ออาหารให้ใจอย่าไปซื้อยาเสพติดให้ใจเหมือนกับคนที่ซื้อ ยาเสพติดให้กับร่างกายอาหารไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่คนเสพติดนี่ส่วนใหญ่ร่างกายจะผอมโซ่ไม่ค่อยสนใจเรื่องอาหารเพราะความหิวยาเสพติดมันมันมันบังคับให้ต้องซื้อยาเสพติดถ้าจยาเอาเงินมาซื้ออาหารเดี๋ยวก็ไม่มีเงินซื้อยาเสพติดมันก็เลยยอมอดอาหารหรือ อดมือกินมือแต่เขาให้ได้เสพยาเสพติดเวลาเสพแล้วมันก็ลืมเรื่องความหิวของอาหารไปชั่วคราวแต่มันก็จะทำให้ตายเร็วคนเสพยาเสพติดนี่อายุสั้นคนเสพยาเสพติดทางใจก็จะมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความเครียดมีแต่ความหงุดหงิดลำคาญใจ ว, ว้าเหวเศ้าสร้อยงอยเหงา เวลาไม่ได้เศษเวลาไม่มีเงินไปเที่ยวก็ ว, าว้าเหว่เศร้าซ้อยง้อยเหงาซึมเศร้าวเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็เหมือนกันเวลาไม่มีเงินก็เหมือนกันไม่มีความสุขแน่นอนมีแต่ความซึมเศร้ามีแต่ความว้าเหว่เพราะติดเที่ยวติดยาเสพติดของใจ ต้องไม่มีไม่มีปัญญาหามาเสพก็วุ่นวายใจแคนที่ใช้เงินในการทำบุญนี้จะไม่ติดเที่ยวจะไม่ติดกับการใช้เงินเพื่อซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเวลาไม่มีเงินมีเงินก็จะไม่เดือดร้อนเพราะไม่มีความอยากเที่ยวไม่มีความอยากที่จะไปซื้อสิ่งต่างๆมาให้ความสุขเพราะมีความสุขจากการทาบุญ บุญเป็นอาหารของใจหล่อเลี้ยงจิตใจให้อิ่มให้พอให้สบายไม่ต้องใช้เงินทองไปหาความสุขต่างๆนี่คือเรื่องของการรู้จักใช้ของที่มีคุณและมีโทษเหมือนกับมีดเงินทองนี่เหมือนกับมีด ใช้ให้เป็นใช้เป็นก็ใช้ทำประโยชน์ได้เอาไปตัดเอาไปฟันไม้ฟันไปหั่นผักหั่นเนื้อทำกับข้บขาวทำสารพัดประโยชน์ได้จากการมีนี้นใช้ไม่เป็นจับมันไม่ถูกก็บาดมือได้หรือเอามาทิ่มแทงตนเองก็ได้หรือเอาไปทิ่มแทงคนอื่นก็ เนการจะใช้อะไรนี้ต้องมีสติมีปัญญาถึงจะได้ใช้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ถ้าเราไม่มีสติมีปัญญาของเราเองเราก็ต้องอาศัยสติปัญญาของคนอื่นพี่เราไปเรียนหนังสือนี่ก็ไปอาศัยสติปัญญาของคนอื่นไปโรงเรียนเอาเอาสติปัญญาของคนอื่นที่เขาได้เขาได้พิสูจน์แล้วว่า ทำอย่างนี้มีคุณมีประโยชน์ทำอย่างนี้มีโทษอย่าไปทำถ้าอยากจะรู้จักวิธีใช้เงินที่ให้เกิดประโยชน์ไม่เกิดโทษก็ต้องมาศึกษาจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าเอาเงินมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับร่างกายก็เอาไปซื้อปัจจัยสี่ของที่จําเป็นต่อการดำรงชีพ อาหารเครื่องนุ่งหง่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยแล้วก็ต้องรู้จักประมาณยุอย่าซื้อเกินกำลังซื้อพอกับฐานะของเราเพราะราคามันจะมากจะน้อยมันก็ทำหน้าที่ได้เหมือนกันเสื้อผ้าชุดบาสองสามร้อยกับชุดละสองสามพันมันก็ไว้หุ้มหอร่างกายเหมือนกันมันก็ไม่มีผลแตกต่างกัน จะซื้อเสื้อผ้าที่ติดมีป้ายมีชื่อเสียงหรือไม่มีชื่อเสียงมันก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนกันอาหารก็เหมือนกันอาหารจะราคาแพงเนือรอาคาราค า, ร, ราคาถูกกินเข้าไปมันก็อิ่มเหมือนกันหลับความหิวได้เหมือนกันยารักษาโรคกัรรักษาโรงพยาบาลสามสิบาททุกโรค ก, ก็ได้หรือจะไปรักษาสามแสนทุกโรค ก, ก็ได้ มันก็รักษาได้เหมือนกันแล้วก็ตายได้เหมือนกันลรงพยาบาลสามสิบบาทก็ตายลรงพยาบาลสามแสนก็ตายถึงเวลามันจะตายไม่ว่าจะรักษาที่ไหนมันก็ตายเหมือนกันเห็นเราอย่าไปหลงกับของแพงๆไม่จำเป็นหรอกใช้ของแพงๆถ้าเราไม่มีเงินมันก็จะ ทำให้เราต้องดิ้นลนหาเงินกันเหนื่อยกันไปเปล่าๆเพราะว่าในที่สุดร่างกายมันก็ต้องตายไปอยู่ดีอยู่ดีกินดีขนาดไหนถึงเวลามันก็ตายเหมือนกันอยู่ไม่ดีกินไม่ดีมันก็ตายเหมือนกันขอให้อยู่แบบสบายก็แล้วกันถ้ารวยมีเงินซื้อของแพงๆก็ซื้อไปถ้าจนไม่มีก็อย่าไปลิ๊ง ไปไปตามฐานะของเราอยู่ไปตามฐานะของเราคือให้อยู่สบายอย่าไปอยู่กับการวุ่นวายดิ้นรนหาซื้ออะไรต่างๆมาเกินกําลังของเราเหมือนกับแบกของที่มันหนักกว่าที่เราแบกได้ไปแบกมันทําไมแบกของที่มันพอดีกับกําลังของเราดีกว่า ท่า น, นถึงสอนให้เรามีมักน้อยสันโดษนะมักน้อยก็คือเอาเท่าที่จําเป็นอย่างพระพุทธเจ้าสอนให้พระถือผ้าสามผืนใช้ผ้าสามผืนก็พอให้กินมื้อเดียวอันนี้มักน้อยกินมือเดียวก็ไม่ตายกินสามมื้อก็ไม่ตายแต่กินมือเดียวมันสบายกว่ากินสามมือ้อ สามมื้อก็ต้องกินสามครั้งคูณสามต้องหาต้องหาต้องทำอาหารสามรอบเอี่ยกินครั้งเดียวก็รอบเดียวร่างกายก็ทางานรอบเดียวกระเพาะลำไส้ก็ย่อยอาหารเพียงครั้งเดียวไม่ต้องทำงานหนักก็ทำให้แข็งแรงอายุยาวนานเพราะไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องใช้งานหนัก รถนี่เหมือนกับรถร่างกายนี่เหมือนกับรถเนยถ้าเราใช้มันหนักๆมันก็พังเร็วถ้าเราใช้มันน้อยมันก็มันพังช้ากว่าความมากน้อยเนี่ยมันดีมันเป็นประโยชน์กับจิตใจกับร่างกายร่างกายก็ไม่ต้องทำงานหนักใจก็ไม่ต้องเครียดกับการไปหาสิ่งต่างๆมา ไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องไปเป็นบางทีก็ไปกู้หนี้ยืมสินบางทีก็ต้องไปโกงไปลักทรัพย์ไปชอโกงไปโกหกหลอกลวงเพราะการอยากที่จะใช้เงินมากๆซื้อของแพงๆซื้อของดีๆคำพูงของมันดีเหมือนกันนะถูกรู้แพงมันก็ดีถ้ามันทำประโยชน์ให้กับร่างกายได้ก็ถือว่าดีทั้งนั้นแหละ ข้าวมื้อละห้าสิบบาทกับข้าวมื้อละห้าร้อยมันก็เหมือนกันมันก็ดับความหิวได้เหมือนกันทาให้อิ่มได้เหมือนกันหลายคนที่ใช้ห้าสิบนี่มีอีกสี่ร้อยห้าสิบเหลือคนที่ใช้ห้าร้อยนี่หมดเลยหนเดียวคนที่ใช้ห้าสิบนี่ไม่ต้องไปหาห า, หาเงินอีกสิบวันมีเงินเลยกินได้อเก้าวันะ คนที่ใช้ห้าร้อยนีต้องไปหามาแต่ถ้ามีบุญชาติก่อนเคยทำบุญไว้กลับมาเกิดมีเงินเยอะแยะกินจนมันตายก็ไม่หมดอย่านจะกินมื้อละกี่ตังก็กินไปแต่มันก็เหมือนกันแ่ะมันก็อิ่มเหมือนกันดับความหิวได้เหมือนกันถ่ายออกมาเป็นอุจจาระเหมือนกันไม่มีอะไรต่างกัน นอย่าหลงกับของเหล่านี้ต้องใช้ต้องรู้จักใช้สติใช้ปัญญาอจะได้อยู่ใช้ชีวิตอยู่อย่างสบายไม่วุ่นวายแต่ ว, วันนี้วุ่นวายปากกาตีมถีบกันใช่ไหมเงินไม่ค่อยพอใช้นจะไปพอไงเพราะมันมันอยากจะใช้กันมากแล้วอก่อนทาไมสมัยเด็กๆใช้เวลาไม่กี่บาททําไมอยู่ได้กันนะไปโรงเรียนพ่อแม่ให้เงินวันละกี่บาท ก็ใช้ตามมีตามเกิดนแต่พอมีกําลังหาเงินเองได้เนี้ยมันใช้ตามมีตามเกิดไม่ได้แล้วมันต้องใช้ตามความอยากกันนะพอใช้ตามความอยากมันก็ขยายตัวในความอยากนี่มันขยายตัวเก่งจะตายนะมพอได้คือก็อยากได้สอกนะได้ศอกก็อยากจะได้วาออ ได้ร้อยก็อยากจะได้พันได้พันก็อยากจะได้หมื่นแล้วพอได้มากก็ใช้มากเคยใช้วันละร้อยพอได้พันวันละร้อยก็ไม่พอใช้แลใช้ไม่ได้ต้องใช้วันละพันนะพอได้หมื่นก็ใช้วันละพันไม่ได้ต้องใช้วันละหมื่นเนี่ยมันความอยากนี่มันจะทําให้เราต้องวุ่นวายไม่รู้จักจบจากสิ้น อระุทธเจ้าหนึ่งสอนให้ปรับความอยากด้วยการใช้ความมักน้อยมันจะมีมากเท่าไหร่ก็ใช้มันแท่นี้แหละเคยใช้บรรดาสามสิบก็ใช้มันแค่สามสิบนี่แหละก็เมื่อก่อนสามสิบก็ใช้ได้ทำไมเดี๋ยวนี้ทำไมใช้ไม่ได้นอกจากของมันแพงขึ้นก็ปรับราคาหน่อยก็ได้จากสามสิบเป็นห้าสิบก็ว่าไปแต่อย่าไปใช้ตามปริมาณเงินที่เราหาได้ เพราะว่าหามาได้มากมันก็จะใช้มากแล้วมันก็จะรู้สึกไม่พอใช้เพราะมันจะซื้อของมากขึ้นซื้อของไม่จําเป็นนี่เป็นวิธีการใช้เงินที่ทําให้เกิดโทษกับจิตใจทําให้อยู่อย่างวุ่นวายอยู่ไม่สงบอยู่ไม่สบาย ถ้าใช้แบบมากน้อยหรือสันโดษยินดีตามมีตามเกิดสบายมีเท่าไหร่ก็ใช้มันไปไม่ต้องหาไม่ต้องดิ้นรนหาได้เท่าไหร่ก็ใช้ไปตามกําลังที่หาได้ด้วยใช้ให้ใช้ให้น้อยกว่าที่หาได้จะได้สบายจะได้มีเงินเก็บสํารองเดือวันที่เราหาไม่ได้เราก็จะได้ไม่เดือดร้อนนี่คือวิธีใช้เงินใช้ทองให้เกิด ปรกับจิตใจและร่างกายใช้แบบมากน้อยสันโดดเะแล้วก็อย่าไปใช้กับยาเสพติดต่างๆอย่ของใจอย่าไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสมาเสพอย่าไปซื้อของฟุ่มเฟือยของที่มีของที่เรามีพอใช้แล้วเช่นเสื้อผ้าตอนนี้เสื้อผ้าพอใช้แล้วก็อย่าไปซื้อมันไปเรามันไม่พอก่อน รอของเก่ามันขาดหรือใช้ไม่ได้ก่อนแล้วค่อยซื้อของใหม่มนาะให้ใช้ด้วยเหตุด้วยผลอย่าใช้ด้วยความอยากแล้วจะไม่มีอะไรมากดดันให้เราต้องไปนิ่นนอนหาเงินหาทองแบบไม่มี เ, เ, วเวลาแล้วจะอาจจะทำให้เราต้องไปทำบาปไปทำผิดกฎหมายได้เพราะความอยากจะได้เงินมากๆง่ายๆเร็วๆ นี่คือโทษของการไม่มีสติปัญญาเราถึงต้องมาวัดกันมาฟังเทศฟังธรรมกันเพื่อที่เราจะได้มีสติมีปัญญาที่จะเอาไปใช้กับเงินทองที่มีทั้งคุณและทั้งโทษถ้ามีสติปัญญาก็จะใช้เงินให้เกิดคุณเกิดประโยชน์อย่างเดียวถ้า ไม่มีสติปัญญาก็จะใช้เงินที่จะทําให้เกิดโทษขึ้นมาดังนั้นควรที่จะศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มากๆเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือสติปัญญาของพระพุทธเจ้านี่การได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านได้ศึกษาคำสอนนี้ก็เหมือนกับได้การถ่ายทอดสติปัญญาของพระพุทธเจ้า ต่อไปเราก็กลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้เ่ยยชาตินี้เป็นชาติที่ดีมากเพราะว่าเรามีโอกาสได้สืบทอดสติปัญญาของพระพุทธเจ้ารับ อ, อถ่ายทอดสติปัญญาของพระพุทธเจ้าที่หายากมากนานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้สักองค์นนึงเี่ย พอมีพระพุทธเจ้ามาตัดสั้นนี่สติปัญญาของพระพุทธเจ้ามีมากน้อยเท่าไหร่นี่ท่านเอามาแจกให้พวกเราธรรมทานถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพวกเราจะไม่มีสติปัญญาพอที่จะพาชีวิตของเราให้รอดพ้นจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆได้เราก็จะวนเวียนอยู่กับความวุ่นวายใจอยู่กับความทุกข์ใจด้วยอํานาจของความหลงความอยากพาเราไป เอามันศึกษาฟังเทศฟังธรรมแล้วนำออกไปปฏิบัติตา่างแล้วรับรองได้ว่าสักวันหนึ่งจะได้กลายเป็นพระพุทธเจ้าหรือจะได้มีสติปัญญาเหมือนพระพุทธเจ้าได้หลุดพ้นจากความทุกข์เหมือนกับพระพุทธเจ้าเพียงแต่เราไม่เรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าเราเรียกว่าเป็นพระอาหารหันตส า, าวกทั้นเอง แต่ก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าทุกอย่างหลุดพ้นจากความทุกข์เหมือนกันหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกันไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องกลับม า, าต่อสู้ดิ้นลนหาอะไรต่างๆแทบเป็นแทบตายพอตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้เอาไปแต่ความอยากความหิวพี่จะทำให้กลับมาเกิดใหม่แล้วก็มาดิ้นดนกันใหม่ ดิ้นกันไม่รู้กี่ล้านรอบแล้วตายแล้วเกิดเกิดแล้วตา ย, ยานี้ไปจนกว่าจะได้มาเจอสติปัญญาของพระพุทธเจ้าพอสติปัญญาของพระพุทธเจ้ามาใช้มันก็หยุดความอยากต่างๆได้หยุดการดิ้นร น, นหยุดการความทุกข์ต่างๆได้หยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็เรียกว่าเป็นพระอาหารหันต์ เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็เป็นพระอาหารหันต์แต่เราเรียกพระพุทธเจ้าว่าพระอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเป็นพระอาหารหันต์ด้วยตนเองไม่มีใครสอนส่วนพระอาหารหันตัสสาวกนี้แปลว่าเป็นพระอาหารหันต์ด้วยการได้ยินได้ฟังสติปัญญาของพระพุทธเจ้าสาวกแปลว่าผู้ฟังรอาหารหันตัสสาวกก็คือ ผู้ที่ได้หลุดพ้นได้เป็นพระอารหันตจากการได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนอรหันตสามมาสามพุทธเจ้านี้เป็นผู้ที่ค้นคว้าสติปัญญาที่จะทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยตนเองที่จะทำให้ตนเองเป็นพระอารหันต์ขึ้นมามีคนเดียวเท่านั้นที่เป็นพาาระอรหันตสามมาสามพุทธเจ้าดังนั้นต้องเป็นอรหันตสาวกเพราะไม่มีความสามารถที่จะ คนคว้าสติปัญญาที่จะทําให้ตนเองหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยตนเองนานๆจึงจะมีพระพุทธเจ้ามาเกิดสักครั้งเพราะมันยากที่จะมีความฉลาดที่จะมีสติปัญญารู้จักวิธีหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่พอมีคนรู้วิธีแล้วง่ายพอก็มาสอนนี่ พูดสองสามคำคนที่ฉลาดเข้าใจก็เอาไปทำได้เลยหลุดพ้นได้เลยเนียพอมีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งนี้มีพระพุปีพระอนันตสาลกมากเป็นเป็นแสนเป็นล้านนะมึงเนี่ยตั้งแต่สองพันตั้งแต่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกมาจนถึงวันนี้ก็สองพันห้าร้อยกว่าปีแนละ้วคิดูว่ามี ผู้ที่นำเอาไปปฏิบัติและบรรุเป็นพระอาหารหันต์มากน้อยเพียงไรถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาปรากฏมาตัดสะ้นมาสอนนี่ตอนนี้ก็ยังไม่มีพระอาหารหันต์สักวงมีไม่ได้ไม่มีใครรู้ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้าแต่ขนาดมีก็ยังมีคนน้อยที่จะไปกัน ยังเสียดายยังเสียดายความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ยังเสียดายขนมน ม, นมเนออยอยู่ยังเสียดายกงกาแฟกันอยู่ยังเสียดายแฟนกันอยู่คนที่จะไปตามพระพุทธเจ้านี้ต้องไม่เสียดายของต่าง ๆ, ๆที่มีอยู่ต้องสละหมดออกบวชเนี่ยเวลาออกบวชนี่ไม่เอาอะไรไปเลยไปตัวเปล่าๆคนที่ไปบวชนี้เขาไม่เอาอะไรไปเลย รับสมบัติเข้าของเงินทองสามีภรรยาบุตรธิดาอะไรต่างๆไม่ที่มีอยู่นี้เอาไปไม่ได้ถ้าอยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต้องไปตัวเปล่าๆไปศึกษาไปเรียนกับพระพุทธเจ้าหรือเรียนกับสาวกของพระพุทธเจ้าที่ทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าได้เหมือนกัน สาวกก็ได้หลุดพ้นจากการเรียนว่ายตายเกิดเหมือนกับพระพุทธเจ้ารู้จักวิธีทําให้หลุดพ้นได้ก็ไปเรียนกับสาวกถ้าไม่มีสาวกก็ต้องเรียนกับหนังสือดูธรรมะที่จาวที่บันทึกไว้ในในสื่อต่างๆในหนังสือก็ดีในซีดีก็ดีอะไรก็ดีก็ยังพอที่จะเป็น เป็นครูเป็นอาจารย์ได้แต่มันยากกว่าการที่จะมีครูอาจารย์ที่มีชีวิตคอยสั่งคอยสอนพอเวลาอาารรร่านหนังสือนี้บางทีแม่ก็ไม่เข้าใจหรือเวลาไปทำไม่ถูกก็ไม่มีใครมาเตือนมาบอกว่าทำไม่ถูกแต่ถ้าไปศึกษากับครูอาจารย์นี้เวลาทำไม่ถูกครูอาจารย์ก็จะเตือนบอกไม่ถูก เวลาสงสัยไม่รู้ไม่เข้าใจก็ถามครูอาจารย์ได้แต่ไปถามหนังสือหนังสือมันก็มันก็ตอบเราไม่ได้นอกจากเราต้องไปอ่านมันทั้งเล่มอ่านไปเพื่ออาจจะเจอคําตอบของคําถามของเราก็ได้แต่มันก็ดีก็ไม่มีอะไรเลยสมมติว่าถ้าไม่มีครูอาจารย์ที่มีชีวิตอยู่สอนเราเราก็ต้องอาศัยหนังสือของท่านะ ประช้าหน่อยแต่ถ้าไม่ไม่งงเสียทีเดียวรู้จักรู้จักแก้ถ้าเดินไปในทางผิดก็ถอยกลับมาใหม่เช่นอ่านแล้วเข้าใจผิดทำอย่างนี้ทำแล้วไม่เกิดผลก็อ่หยุดวิธีนี้กลับมาทดลองอีกวิธีหนึ่งดูลองผิดลองถูกไปเดี๋ยวมันก็ได้เองแต่มันจะช้า กว่าการมีครูอาจารย์คอยสอนคอยบอกพอทำไปแล้วไม่ได้ผลก็ไปเล่าให้อาจารย์ฟังอาจารย์ก็บอกให้ทำนี้ไม่ถูกต้องทำแบบนี้พอไปทำแบบนี้าทาถูกผลมันก็เกิดขึ้นมาถ้าไม่มีครูอาจารย์มีหนังสือก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องลองผิดลองถูกไปกว่าจะได้ทางถูกก็อา จ, จะเสียเวลามาก อาจจะไม่ทันเวลาของชีวิตนี้ก็ได้แต่ถ้ามีกลัวาจาะนี่พระพุทธเจ้ารับรองเลยว่าหกเจ็ดวันก็ได้ไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีรับรองได้หลุดพ้นได้อย่างแน่นอนนี่คือการเข้าหาสติปัญญาของพระพุทธเจ้า ด้วยการศึกษาฟังเทศฟังธรรมด้วยการอ่านหนังสือด้วยการไปปฏิบัติเพราการอ่านหนังสือการศึกษาเพียงแต่เป็นเหมือนดูแผนที่ดูแผนที่แล้วก็ต้องออกเดินทางถ้าอยากจะไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปถ้าต้องการจะหลุดพ้นก็ต้องอปฏิบัติทําทางก็ให้สบาเงินทองไปให้หมดอย่าใช้เงินทอง จะได้ไม่เสียเวลากับการไปหาเงินหาทองถ้าใช้เงินทองมันก็ต้องไปหาเงินหาทองมันก็จะไม่มีเวลาไปปฏิบัติคนที่จะไปปฏิบัติจริงๆก็ เ, เลยสละเงินทองสมบัติข้าวของที่เขามีอยู่ให้คนอื่นไปให้หมดแล้วตัวเขาก็ไปบวชได้แต่รักษาศีลได้อย่างเต็มที่รักษาศีลก็ง่ายคนที่ไม่ต้องหาเงินหาทองนี่รักษาศีล ง, ง่ายกับคนที่หาเงินหาทอง เพราะไม่มีอะไรจะต้องไปโกหกไข่ไม่มีอะไรจะต้องไปโกงไข่เพราะไม่ต้องการเงินทองของไ ข, ข่ก็รักษาสินได้สบายง่ายได้ยินได้ที่รักษาสินกันไม่ได้ก็เพราะอยากหาเงินหาทองหาอยากหาสิ่งนั้นสิ่งนี้กันก็เลยต้องโกหกหลอกลวงกันโกง ก, กันถึงจะได้สิ่งที่อยากได้กัน ถ้าไม่โกหกไม่หลอกลวงก็ไม่ได้หรือได้ก็ช้าแล้วก็ได้น้อยไม่ทันใจไม่พอใจฉนั้นจะรักษาศีลได้ต้องต้องไม่โลภไม่อยากได้เงินทองไม่อยากได้อะไรจากใครแล้วรับรองได้ว่ารักษาศีลได้อย่างง่ายได้ถ้ายังอยากได้อะไรอยู่นี่มันเดี๋ยวก็ต้องทาให้เราโกหกเดี๋ยวก็ต้องทำให้เราโ ก, ก, กง นี่คือเรื่องของการเข้ามาหาพระพุทธศาสนาเข้ามาเพื่อรับสติปัญญาของพระพุทธเจ้ามาใส่ใจของเราเราจะได้เอาสติปัญญาของพระพุทธเจ้าพาเราไปสู่การหนุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหนุดพ้นจากความทุกข์เนี่ยทุกวันนี้เราอยู่กับความทุกข์โดยที่เราไม่รู้สึกตัวกันไม่คิดกันแต่ละวันนี่มีเรื่องวุ่นวายนี่ก็เป็นความทุกข์ละ มีเรื่องวิตกมีเรื่องกังวลมีเรื่องห่วงใยตอนนี้เป็นความทุกข์ทั้งนั้นอันนั้นจะมีความสุขประเดียวปะดา้าสุขเดียวเดียวแล้วเดี๋ยวก็กลับมาทุกข์มาวุ่นวายใจมาวิตกมากังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่มีวันจบสิน้นงนั้นการมาเวียนว่ายตายเกิดนี่มันเป็นการมาหาความทุกข์กันไม่ใช่มาหาความสุขกันถ้าไม่อยากจะ ทุกก็ต้องอย่ามาเกิดทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นผู้ที่จะไม่เกิดก็ต้องมีสติปัญญาของพระพุทธเจ้าปฏิบัติใช้สติปัญญาของพระพุทธเจ้าพาไปสู่การหลุดพ้นเท่านั้นพระพุทธเจ้าออกบวชเราก็ต้องออกบวชอย่าหวังว่าโอ้ยเราจะหลุดพ้นจากการเป็นฆราวาสเลยมีฆราวาสคนไหนหลุดพ้นกันบ้าง มีก็น้อยมากเป็นกรณียกเว้นเป็นกรณีพิเศษท่าน้แเก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์นี่เป็นพระทั้งนั้นะที่หลุดพน้นเคยเห็นมีรูปของคารวะหลุดพ้นให้เรากล่วาวไหวกันบ้างไหมมีแต่รูปของพระทั้งนั้นะเพราะเขาออกบวชกันเขาก็เป็นคารวะเป็นแต่ว่าเขาเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่นั่นเองแทนที่จะใส่กางเกงใส่เสื้อ ก็มาใส่จีวรแทนแานที่จะมีผมยาวก็โกนหัวเท่านั้นเอง mm hmm. ก็เป็นคนเหมือนกันแต่การเป็นพระมันทำให้มีเวลาปฏิบัติได้อย่างเต็มที่เป็นคารว์ไม่มีเวลาปฏิบัติได้อย่างเต็มที่เพราะต้องไปหาเงินหาทอง mm hmm. ไปใช้เงินใช้ทองกันแล้วมันจะเวลามาปฏิบัติยังได้งไร การใช้เงินใช้ทองหาเงินหาทองก็เป็นการทำตามกิเลสทำตามความอยากที่เป็นตัวที่ทำให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองพอเราอยู่หาเงินหาทองนี่เราก็ค่ากิเลสฆ่าตันหาความอยากแล้วขอให้เราพยายามศึกษากันนานๆจะมีสติปัญญาของพระเจ้ามาแจกให้พวกเราฟรี ถ้าเป็นคนอื่นนี่เขาคงจะคิดเงินนะสมวนลิกสิตกันนี่พระพุทธเจ้าท่านเป็นคนที่ไม่โลภไม่ไม่หลงกับทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองท่านก็เลยไม่คิดเงินคิดทองเป็นธรรมทานนานๆโชคเราจะได้มีโอกาสได้รับของฟรีๆและเป็นของที่ดีที่สุดในโลกนี้ที่ไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องเสียเงินซื้อกันทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถ มีสิทธิ์ที่จะหลุดพ้นได้เพ mm hmm. าะพุทธศาสนานี้เปิดกว้างมากเปิดให้กับคนทุกระดับตั้งแต่ขอทานขึ้นมาบปถึงพระราชามาหากษัตริย์มาหาเศษฐีทัง้งหลายสามารถรับสติปัญญาของพระเจ้าไปใช้ได้โดยไม่ต้องเสียเงินเสียทอง mm hmm. ก็อยู่ที่ผู้รับท่านนั้นว่าจะเอาไปปฏิบัติได้หรือไม่ mm hmm. ถ้ารับไปแล้วไม่เอาไปปฏิบัติก็ ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรได้แผนที่แล้วก็ไม่ได้ไปเปิดไม่ได้ไม่ได้ไปดูไม่ได้เอาไปนำไปนำทางดูได้แผนที่แล้วก็กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมไปหาเงินหาทองหาความสุขทางร่างกายเหมือนเดิมอย่างนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรถ้าอยากจะได้ประโยชน์ต้องเอาไปปฏิบัติมากน้อยก็ยังดีกว่าไม่ปฏิบัติทำบุญทำทานไป เอาเงินที่จะไปใช้ในทางที่ไม่ถูกมาใช้ให้มันถูกดีกว่าเอามาทําบุญอย่าไปซื้อความสุขต่างๆอย่าไปซื้อของฟุ่งเฟวยต่างๆเพราะมันเป็นเหมือนซื้อยาเสพติดเป็นความสุขแบบยาเสพติดเอามาซื้ออาหารกับใจด้วยการทําบุญนีกว่าใจจะอิ่มใจจะสุขใจจะสบายลดความอยากไปได้ลดความทุกข์ไปได้ในระดับหนึ่งแล้วต่อไปก็จะสลน ได้หมดนะไปออกบวชรักษาศีลได้ไปปฏิบัตินั่งสมาธิทำใจให้สงบเอาสติปัญญาของท่าเจ้ามาฆ่าตัวที่ทำให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกันก็คือตัวตันหากิเลสต่างๆให้หมดไปจากใจมันง่ายจะตายไปท่านสอนง่ายๆสามขั้นตอนนะ่ะไม่ไม่มีอะไรยุ่งยากรักษาศีลนั่งสมาธิปิดสงบแล้วพร้อม มีกำลังออกจากสมาธิมาก็ใช้เอาสติปัญญาของพระเจ้ามาฆ่าความอยากอยากจะทำอะไรก็ตัดมันไปอยากจะดูอะไรก็ตัดมันไปเดี๋ยวมันก็จบคนถึงมารู้กันง่ายๆสมัยที่มีพ ร, พระเจ้าคอยสอนนี่บางคนก็เจ็ดวันบางคนก็เจดเดือนบางคนก็เจ็ดปีนั่นมันไม่ยากนอย่าไปคิดว่ามันยากเราถูกกิเลสหลอกถ้าเราคิดว่ามันยาก ที่มันยากเพราะเราไม่อยอมทํากันเองพอคิดว่า ม, มันยากก็เลยไม่ทํากันเลยกิเลสมันก็ชอบเพราะกิเลสไม่ต้องการให้ไม่ต้องการตายมกิเลสมันกลัวตายถ้าเราปฏิบัติแล้วกิเลสมันตายกิเลสมันเลยคอยมาหลอกเราว่ายากอย่าทําเลยพวกเราไม่มีวาสนาไม่มีบุญไม่มีบารามีหรอกแต่ความจริงทุกคนเนี่ยที่เป็นมนุษย์นี่มีวาสนามีบารามีทุกคนมีสิทธิ์หลุดพ้นได้ทุกคนอยู่ที่ว่าจะ ฉลากว่ากิเลสเรื่องโง่กว่ากิเลสเท่านั้นเองถ้าฉลากว่ากิเลสก็ไม่เชื่อกิเลสเชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีก็ได้นะเอาไปคิดเอาไปพิจารณาเราจะให้พร ยะถาวาริวะหาปุราปุริปุเรนติสากลังเอวเมวะอโตทินังเปตานังอุปกาปติอิจิตังปฏิต um ังตุมหังคิป้เมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุส so ังกะปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติ ราโสยะาสภีติโยวิวัชจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโภวะอภิวาทนศีริสะนิจยังวุธาปจายโนยะตาโรธรรมาวะทานติอายุวันโอสุขัง พาลังใครมาที่รังอยากจะมานำหนังสือซีดีหรือมาถวายข้าวของก็เข้ามาได้นะตอนนี้มีช่วงเวลาพักเดี๋ยวเดี๋ยวคุยต่อใครอยากจะกลับก็กลับได้นะไม่ได้บังคับให้อยู่ หนงสือซีดีก็หยิบได้กล่องวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ละตอนนี้เหลือสามร้อยสี่สิบสามจัาเจ็ดสิบสาม้อเจ็ดสิบอสิบบ็ดฮะ แล้วเลิกธรรมะนี่มีมียอดยหมกาดูตรงไหนดูในเว็บไซต์เลยเิกธรรมะมามถึงสิบคนสิบคนแล้วบป่ะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเนี่ยขอให้พักกินน้ำหน่อยจ้ะแม่ไม่ทันพักเลยจะต่อยก็ล่คงตาย ต้องการหนังสือ cd ก็หยิบได้นะมาจากที่ไหนกันกรุงเทพครับกรุงเทพเคยมาป่ะไม่เคยครับ อ, อ่าอ่านทำมาทาง u t u b e ครับอ่า่ า, าหยิบหนังสือ cd ไปได้นะถ้านองการหนังสือเล่มใหญ่ก็เป็นประวัติหลวงปู่ขาว เขีนโดยลงตามหาบัว ใครอยากจะถามอะไรไหมถามได้นะเราไมเปิดโอกาสให้ถามน ะ, ะจะถามอะไรคือเคสขหลานชายไม่ได้ยินะเคสของหลานชายโยอนแรกว่าใครก็ทำไว้ยตอนหลังนี่ก็ที่าไปทำใจได้รู้สึกว่ามันนิ่งแต่นี่ความนิ่งเนี่ยมันไม่นิ่งที่เคยรู้สึก มันเหมือนยังจะมีแอนหรือว่าเราแปลว่าเรายัตัดไม่าดก็แล้วแต่นะมันนิ่งก็ไม่นิ่งอะเราก็ดูไปสิเราเราไม่รู้สึกร้อนใจไงอ่าได้ยังไงอ่ะรู้สึกว่าใจมันไม่ไม่เคยรู้สึกเฉยที่เฉพาะอย่างเฉยเฉยมันมันไม่เฉยเหมือนเคยเฉยก็พิจารณาต่อไปให้มันเฉยเลย พิจนาว่ามันเป็นดินน้ำลมไฟไม่ใช่หลานตัวหลานไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายเป็นเพียงรถของหลานหลานอาศัยรถคันนี้พาหลานไปไหนมาไหนตอนนี้รถเสียรถจะพังก็เสียที่รถไม่ได้เสียที่หลานเนี่ยตัวหลานไม่มีวันตายตัวหลานก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ไปแตเท่านั้น ยังไม่เห็นชัดเจนว่าใครตายใครไม่ตายแต่เห็นชัดเจนว่าใครตายใครไม่ตายก็มันก็ไม่มีอะไรจะต้องกังวลอย่างพวกเรานี้ไม่ตายที่ตายไม่ใช่พวกเราอะที่ตายก็คือร่างกายของพวกเราร่างกายของพวกเราพระเจ้าก็บอกแล้วไม่ใช่พวกไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นของดินน้ำนมไฟข อ, อยืมมาจากดินน้ำนมไฟ ด๋ ย, ยินดินน้ำลมไฟก็ขอคืนไปวเวลาร่างกายตายมันยังอยู่เหมือนเดิมอือเดี๋ยมันแยกไปน้ําก็แยกไปดินก็แยกไปลมก็แยกไปไฟก็แยกไปะใจที่สั่งให้ร่างกายทําอะไรก็ไปต่อไปหาร่างกายอใหม่ต่อไปหาท้องใหม่ก็มีเท่านี้พูดจนปากเปล่าปากเฉียงด้วย พอถึงเวลาเจ็บไข้แล้วป่วยก็ลืมไม่หมดเลยจำไม่สิว่าเราไม่ได้ตายปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องไม่ได้ตายเพอย่างนั้นตัวที่ตายเป็นเพียงร่างกายของเขาเป็นเหมือนรถยนต์ของเขาคนขับรถไม่ตายคนขับรถก็ไปเปลี่ยนรถใหม่เข้าใจไหมรถเก่าพังแล้วก็ไปเปลี่ยนรถใหม่ไปซื้อรถใหม่ก็เลยต้องเดินทางไปหาไปซื้อที่ที่ร้านขายรถเนี่ย ที่บ้านไม่มีรถขายใช่ไหมก็ต้องไปซื้อที่ร้านร้านขายรถอร่างกายใหม่ก็ต้องไปหาท้องที่เขากำลังตั้งกันอยู่เนี่ยพอใกล้ตั้งท้องก็ไปจับจองไว้เลยฉันเอาร่างกายนี้เนี่ยอ่ะก็รอเก้าเดือนก็ออกมาแล้วนะออกมาแล้วก็มาหลงคิดว่าเป็นตัวเราของเราเอีกนะ มามันมา well, จากพอ่อจาก atención, แม่แล้วแทนจะเป็นตัวเราของเราตรงไหนถ้าจะเป็นก็ต้องเป็นของของพ่อครึ่งหนึ่งของแม่ครึ่งหนึ่งมากกว่ามันจะมาเป็นของเราได้ยังไงไม่มีพ่อไม่ม <zę> ีแม่มันจะมีร่างกายนี้ขึ้นมาได้ยังไงเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นเพียงแต่คนที่มาอาศัยร่างกายนี้เหมือนคนขับรถที่มาอาศัยรถพาไปไหนมาไหนใจนี้เป็นเหมือนคนขับรถใจนี้เป็นผู้คิดผู้สั่ง ให้ร่างกายทำอะไรต่างๆรู้รับรู้สิ่งต่างๆที่ผ่านมาทางร่างกายรู้รูปผ่านทางตารู้เสียงผ่านทางหูผู้รู้นี่คือเราเนี่ยแต่เรานี่ไม่ได้ตายเวลาเราไม่มีร่างกายเพียงแต่เราไม่มีอะไรมารับรู้ ช, ช่านช่วงนั้นก็เหมือนตอนเรานอนหลับ เ, เวลาเราหลับเราก็ไม่ได้ใช้ร่างกายใช่ไเราก็ไม่รับรู้เรื่องอะไรที่มาสาัมผัสกับทางร่างกาย เวลาตายก็เหมือนกับเวลานอนหลับเนี่ยเวลาเกิดก็เหมือนเวลาตื่นขึ้นมาใหม่เวลาเปลี่ยนร่างกายก็เวลาตายนี่ก็เหมือนไปเปลี่ยนร่างกายอันใหม่ก็นอนหลับไปพ อ, อได้ร่างกายใหม่ออกจากท้องแม่ออกมาก็ตื่นนะตื่นกลายเป็นร่างกายร่างใหม่ไปใช่ละ่ะร่างเก่าหายไปหมดแล้วมันไม่มีใครตายเข้าใจไหม มันก็เปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆ เ, เปลี่ยนร่างกายไปอยู่เรื่อยๆดาบใดยังมีความอยากอยู่ก็ต้องก็ต้องหาร่างกายอันใหม่พอร่างกายเก่าหมดสภาพใช่ไม่ได้ก็ไปหาร่างกายอันใหม่กันดังนั้นไม่มีใครตายเข้าใจมคนสิ่งที่ตายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่เราคิดว่าตายคนที่เราคิดว่าตายไม่ได้ตายคนที่คิด คือคนที่เราคิดว่าเป็นพ่อเป็นแม่เราเป็นพี่เป็นน้องเราเป็นลูกเป็นหลานเราเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นเพื่อนเรานี้เขาไม่ได้ตายตัวที่ตายคือร่างกายของเขาเหมือนกับคนขับรถไม่ได้ตายไปกับรถยนต์รถยนต์พังคนขับรถก็ไปเปลี่ยนรถคันใหม่เท่านั้นเองเป็นมีอะไรหน้าหน้าเศร้าโศกเสียใจอะไร เวลาเราเปลี่ยนรุ่นใหม่เราล่องห่มล่องห้างไงหรือเปล่ากลับดีใจโอ้เปลี่ยนข้งเก่ามันมันเสียอยู่เรื่อยๆกลับไปไหนก็ไม่มั่นใจเปลี่ยนมันดีกว่าเออารุ่นใหม่เอรุ่นใหม่ดีกว่ารุ่นเก่าเราอยากจะได้ร่างกายใหม่ที่ดีกว่าเก่าก็ทําบุญเยอะๆะรับรองได้จะได้ร่างกายที่ดีกว่าเก่าะเพราะเวชสรรค์ดอนนี้พอ ตายไปก็ไปไปเที่ยวในสวรรค์ก่อนแล้วพอกลับมาเกิดก็ได้มาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะนะเปลี่ยนร่างกายอัใหม่เปลีย่ยนจากร่างกายของพระเวสสันดรมาเป็นร่างกายของเจ้าชายสิทธัตถะแต่เป็นร่างกายอันสุดท้ายเพราะหลังจากเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่เปลี่ยนละไมพอละเบื่อละเพอาได้มากี่ร่างก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกัน มีใครอยากจะถามอะไระไหมบบอาจารย์อยากจะทราบการปฏิบัติของคารวาที่อย่างนี้กับผมเองนะครับพรากวันนี้ก็คือทุกเย็นจะสวดมนต์บทบทคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็พระหุ่มมากาต่อด้วยชินะบัญชรเป็นสวดได้หมดแล้วก็ต่อด้วยนั่งสมาธิการปฏิบัติอย่างเนี้ยคือจะสามารถรู้ว่าในในใ น, ใ น, ในต้องนั่งให้เปของคารวะนั่นต้องนั่งให้ได้ผลน ผมปฏิบัติมาประมาณสองปีได้แต่ว่าอยากจะทราบความก้าวหน้าไม่รู้ว่ามันไปถึงไหนก็คือมันเอาอะไรมาวัดครับก็ดูความสงบของใจส่วนมนตแล้วใจสงบไหม<ด>นั่งสมาธิแล้วใจสงบไหมก็เหมอือนการสวดมนต์กับการปฏิบัติเนี่ยมันก็ในในนเป็นที่จะได้ผลที่ที่สุดมันก็เป็นเหมือนเกียรย์รถยนต์นะรถยนต์มันมีหลายเกียร์ขึ้นอยู่กับสภาพของรถใช่ไหม ว่ามันาบางทีรถมันวิ่งอยู่เราเราก็เข้าเกียร์สูงได้แต่ถ้ารถมันจอดอยู่เราก็ต้องเข้าเกียร์ต่ำถ้าถ้าเข้าเกียร์สูงมันก็ไม่มีแรงมันก็ดับการสวด ม, น, มน์ก็เหมือนกเมนเกียร์ต่เาเกียร์ต่ำเวลาจิตเราฟุ้งมากเรายังจิตไม่สงบยังอยู่กับเรื่องเดียวไม่ได้ยังดูลมไม่ได้ยังพุโทโธไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อน เพื่อให้ความฟุ้งสร้างมันเบาลงพอมันเบาลงแล้วเราก็ดูลงไปแล้วพุโทโธไปแล้วก็เอาให้มันรวมมันตกหลุมตกบอ่อแล้วก็วูบลงไปแล้วก็นิ่งสบายได้พบกับความสุขที่มหัศจรรย์ใจอย่างนี้นถึงจะเรียกก็ได้ผลได้ก้าวหน้าถ้าได้ผลอย่างนี้แล้วก็ออกบวชได้เพราะว่าจะจะไม่ไม่อยากได้อะไรแล้วนอกจาก ผลที่ได้จากความสงบนี่ก็อยากจะปฏิบัติมากๆากแล้วแทนที่อยากจะกางแทนที่จะปฏิบัติวันละชั่วโมงก็อยากจะปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนเนี่ยคยงวันนี้ที่ปฏิบัติที่คือจับที่ลมหายใจที่ท้องคือสติมาไว้ที่ท้องฟองท้อครับก็ได้แล้วก็เวลามีเสียงอะไรก็จิตไปจับตรงนั้นไม่ไมไม่ไม่ไปไม่ไม่ถูกแล้วไม่ไม่ให้ไปไหนให้อยู่ที่ท้องอย่างนี้เกิดเา ไ, ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปไหนอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมหมดถ้าไปแล้วจิตจะไม่สงบก็เหมือนว่าใ ห, ให้จิตรูนะ้น่ะที่เดียวแพ่งอยู่ที่เดียวยวไม่ให้ไปที่อื่นถ้าไปมันก็ไม่สงบแลวมันมันเสียสมาธิลวถ้าจะดูทองก็ดูทองจุดเดียวไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องอื่นถ้าไปก็จิตมันก็ไปไปปรุงแต่งละ ให้มันอยู่กับท้องอย่างเดียวจนกว่ามันจะตกหุมตกบอ่อลงไปแล้วก็นิ่งสงบถึงจะได้ถึงจะได้ผลจากสมาธิพอได้ความสงบจากสมาธิแล้วก็จะพบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ก็จะไม่อยากได้ความสุขอย่างอื่นนะมันมือนว่าอยากจะเจอแต่ไม่เจอ ก, ก็ยังทำไม่ถูกทำยังไม่ได้ผลทำอย่างน้อยไป กำลังไม่พอที่จะดึงใจให้เข้าไปตกหลุมตกบ่อแล้วอย่างการปฏิบัติเนี่ยเราเดินสมมุตมิว่าเดินหนึ่งชัวงช่วโมงนั่งหนึ่งชัวงช่วโมงได้นีมครับที่ว่าเดินนั่งอ๋อเรื่องเดินนั่งๆั่งนีออ่เป็นเรื่องของน่างกายคถ้านั่งมันเมื่อยก็ลุกขึ้นมาเดินถ้าเดินมันเมื่อย ก, ก็กลับไปนั่งแต่ตัวตัวจิตก็ต้องเหมือนเดิมต้องคุมมันไว้ตลอดเวลาต้องไม่ให้มันคิดปงแต่งนะแต่พุทโธก็พุทโธ อยาเข้ามาเลยเด็กไปไปนั่งไกลๆเลยหะที่นั่งเงียบๆไปคนกำลังคุยกันอยู่นะต้องต้องควบคุมความคิดตลอดเวลาความคิดป็นทำให้จิตไม่สงบทาให้จิตไม่มีความสุขหยุดความคิดได้แล้วจิตจะสงบมีความสุข เราก็จะทิ้งทุกอย่างได้ที่ทิ้งไม่ได้เพราะไปมันไปคิดถึงมันแล้วก็ทำให้มันยึดมันติดมันมันรักมันห่วงมันนี้มันไม่มีความสงบมันก็เลยต้องไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาขอให้ความสุขอยู่เรื่อยๆต้องฝึกสติให้มากๆก่อนอย่าให้มันไปคิดเรื่องราวต่างๆ ให้มันอยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับพุโทโธกับพุโทโธไปอย่าให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะสงบถ้าสงบแล้วมันก็จะมีความสุขแล้วมันก็จะรู้ว่านี่คือความสุขที่แท้จริงความสุขที่จะเป็นของเราไปตลอดไม่เหมือนกับความสุขอย่างอื่นที่ต้องอาศัยสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ แล้วมันก็จะทำให้เราไม่อยากได้อะไรเพราะเห็นว่าสิ่งต่างๆนี้มันเป็นความทุกข์เพราะมันจะต้องจากเราไปสักวันหนึ่งดูอยู่กับความสงบนี้ดีกว่าถ้าได้ผลจากการนั่งสมาธิแล้วก็พร้อมที่จะไปบวชได้พร้อมที่จะตัดทุกสิ่งทุกอย่างได้ถ้ายังไม่ได้ก็ยังไปไม่ไหวยังไม่มีความสุข เหมือนกับยังไม่ได้มีรถใหม่ก็ใช้รถเก่าไปก่อนยังดีกว่ารถเก่าถึงแม้ว่ามันจะพังบ้างไหมวิ่งได้บ้างวิ่งไม่ได้บ้างก็ยังยังพอถูไถ่ายไปแต่ถ้าได้รถใหม่แล้วก็ไม่เก็บรถเก่าไว้ให้มันสิมันเกะ ก, กะต้องหาความสุขใหม่อย่าตอนนี้ยังอาศัยความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายอยู่แต่เป็นความสุขที่ไม่แน่นอนใช่ไหม เดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ไม่ได้เวลาไม่ได้ก็เสียใจเศร้าใจแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีเลยใช่ไหมแต่ถ้ามีความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วเรารู้ว่าตอนนี้เราหาเองได้แล้วความสุขที่เกิดจากความสงบนี้พอเราหาเป็นแล้วมันก็จะหาได้อยู่เรื่อยๆจะมีได้อยู่เรื่อยๆมันก็แล้วเวลามาหาความสุขที่เกิดจากความสงบดีกว่า ดีกว่าเอาเวลาไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็เลยไปบวชดีกว่าอยู่บ้านวุ่นวายหนอะนั่นแหละมันมันต้องทำใจให้สงบให้ได้ให้มันตกหลุมตกบอก่อให้มันเจอความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธิให้ได้ก็แล้วกันถ้ามีความสุขจากการนั่งสมาธิแล้วก็จะไม่ต้องหาความสุขอย่างอื่นได้ ก็อยากจะหาความสุขจากการนั่งสมาธิไปให้มากขึ้นไปก็ต้องมีเวลาก็ต้องเลอกเอาเวลาไปหาความสุขทางอื่นเอาเวลามาหาความสุขจากการนั่งสมาธิแทนแต่คนที่เขาไปบวชกันจริงๆกขาก็เพื่อเพื่อที่จะไปหาความสุขจากการนั่งสมาธิไงอ๋ออย่า ง, าง ท, ที่เรารู้สึกโกรธ เรารู้อีกจิตหนึ่งเรารู้ว่าเราโกรธนะเราโกรธแต่ว่าเราห้ามการโกรธไม่ได้แต่คือเรารู้นี่คือการพัฒนาของจิตเพื่นจะดีน่ดีถ้ายันหยุดไม่ได้ก็ไม่ไม่มีความหมายอะไรหรอกแต่ว่าเรารู้ว่าอรู้แล้วมันหยุดไม่ได้ก็เหมือนกันรู้ว่าไฟไหม้แล้วแล้วจะทําไงมันก็มันต้องดับไฟเลยมันถึงจะอ่ารู้ไม่รู้มันก็เหมือนกันอ่ะมันก็ไม่เหมือนกันนะรู้แล้วต้องดับมันให้ได้ ระดับไม่ได้ก็ต้องมีสมาธิต้องหยุดต้องหยุดใจให้ได้เพราะตัวที่ทําให้ไฟมใจไหมก้ม ก, ก็คือความอยากความคิดนี่พอมีสติหยุดความคิดได้อืไฟในใจมันก็ดับไปความโกรธมันก็ดับไปไปรู้เฉยๆมีประโยชน์ได้เหมือนรถจะวิ่งฝ่าไฟแดงก็รู้ว่ามันจะวิ่งผ่าไฟแดงเหยียบเบรกเบรกไม่มีเบรกแตกแต่ว่ามันเหมือนว่าอย่างน้อยมันก็มีก่อไม่รู้ผิด ก็ไม่เห็นดีกว่าตรงไหนมันก็มันก็มันก็โกรธเหมือนเดิมมันต้องไม่โกรธสลยแต่รู้แล้วรู้ว่าโกรธแล้วหยุดมันให้ถึงขั้นนั้นเลยครับอ่าก็ถึงบอกมันไม่มันไม่มีความเหมือนถึงบอกไม่มีประโยชน์อะไรรู้หรือไม่รู้มันก็รู้แล้วต้องหยุดให้มันมันให้ได้ถ้ารู้แล้วหยุดไม่ได้มันก็เหมือนกับไม่รู้อ่ะใช่ไออถ้ารู้ว่ามีความโกรธแล้วหยุดไม่ได้ก็ต้องไปสร้างเบรคขึ้นมาสิอ่า ไปสร้างสติขึ้นมาสิสติก็เนี่ยพุโทโธไปทั้งวันหนึ่ง<ม>พอเกิดความโกรธก็พุโทโธพุโทโธไปมันก็หยุดได้นี่พอเกิดความโกรธก็ลืมพุโทโธ<ม>เอาพุโทโธมาใช้เสร็จพอมันเห็นว่ามันโกรธปั๊บก็พุโทโธพุโทโธไปเอ<ม>าพุโทโธไปเดียวเดียวห้านาทีสิบนาทีมันก็ลืมแลเรื่องที่ทําให้เราโกรธ มีเครื่องมือแล้วเนี่ยเราก็สวดมนต์ได้ใช้บทสวดมนต์แทนก็ได้เวลาโกรธใครก็อีตีปิโสไปเออย่าไปคิดถึงคนที่ทําให้เราโกรธเดี๋ยวมันก็ลืมนะ mm hmm. พอลืมแล้วมันก็หายโกรธพอไปคิดถึงมันอีกโกรธอกีกก็สวดอกีก mm hmm. เดี๋ยวมันก็เราก็หยุดมันได้เอง mm hmm. อตอนนี้เราต้องสร้างสติขึ้นมาด้วยการสวดมนต์ด้วยการพุโทโธ แล้วพอเวลาที่มีความโกรธความโลภ ก, ก็ใช้การสวดมนต์ไปพุโทโธไปมันก็หยุดได้ชั่วคราวยังไม่ได้หยุดท้าวอนนะยังหยุดชั่วคราวถ้าจะหยุดท้าวรต้องใช้ปัญญาต้องเห็นโทษของความโลภความโกรธว่ามันเป็นเหมือนไฟเผาใจถ้ารู้ว่ามันเป็นไฟเผาใจก็จะไม่โลภไม่โกรธตอนนี้ยังไม่รู้ว่ามันเผาเผาใจเราอยู่เวลาโลภเนี่ยหมามัน มันเผาใจเราแต่มนชอบอ่มันเหมือนพวกซาดิสเนี่ยเวลาเฉือนเนื้อตัวเองแล้วโอ้ยมันเลือดไหลซิยซิงนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะความโลภใช่ไหมแต่ก็ยักโลภแทนที่จะเลิกโลภไม่ยอมเลิกยิ่งกลับอยากจะให้ได้เร็วๆได้ง่ายๆก็เดี๋ยวก็ไปทำบาป แทนที่จะหยุดกาต้องสร้างสติสร้างปัญญาเนี่ยสองตัวนี้เป็นตัวที่จะเป็นตัวธรรมแก่นของธรรมก็สติปัญญาเนี่ยมีสองตัวนี้แล้วสามารถหยุดความโลภโกรธหลงได้หมดทำลายได้หมดจะไม่ต้องมาคอยดับมันไม่ต้องมาคอยหยุดมัน ถ้ามีปัญญานี่มันจะถอนรากถอนโคนของความโลภความโกรธความหลงมันจะเห็นว่ามันเป็นเหมือนยาพิษเนีย่ยแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นว่าเป็นยาพิษโลภกั็โลภทุกข์จะตายเพราะความโลภ ก, ก็ยังโลภอยู่นั่นโกรธเพราะความทุกข์เพราะความโกรธก็ยังโกรธอย่างนั้นรรทุกข์เพราะความหลงก็ยังปล่อยให้มันหลงอย่างนี้น หลงว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราน <Rise. S 1> <S' Kay. S 2> ี่ก็หลงนะแล้วท th ุกข์ไหมเวลาร่างกายเป็นอะไรนี่ทุกข์กับมันไหมอ่อเราคิดว่าเราเป็นใช่ไหมทั้งๆที่เราไม่ได้เป็นแน่นออแล้วเรากลับไปทุกข์กับมันเพราะเราหลงคิดว่ามันเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเราพออะไรเป็นของเราปั๊บนี่ทุกข์กับมันทันทีนะแฟนนี้เมื่อก่อนไม่ได้เป็นกับไม่ได้เป็นของเราเราทุกข์กับเขาไหมพอตอนนี้มาเป็นแฟนของเราเป็นทุกข์ไหมอ่า พอไปหลงว่าเป็นของเราใอ่ไอมจะไปหลงว่าเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นของเราเป็นของชั่วคราวเขาจะไปก็ให้เขาไปเขาจะตายก็ปล่อยเขาตายไปมันก็จะไม่ทุกข์แต่พออะไรเป็นของเราแล้วต้องอยู่กับเราไปตลอดเนี่ยความโลภมันเกิดแล้วใช่ไหมตามอยากให้อยู่กับเราไปตลอดนี่ก็เป็นความความโลภพอไม่ได้ดังใจอยากก็โกรธเนี่ย เวาแฟนก็จะไปมีแฟนใหม่นี่ก็โกรธเขาละไม่ยอมให้เขาไปเนี่ยต้องแก้ด้วยสติด้วยปัญญาไม่ใช่รู้เฉยๆพวกที่สอนให้รู้เฉยๆมันสอนไม่รู้สอนไม่เป็นรู้เฉยๆแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรในว่ารู้ปั๊บแล้วมันก็หยุดปุ๊บแล่หยุดเดียวเดียวพอไม่รู้ปั๊บมันก็กลับขึ้นมาใหม่นะได้ไหม ไม่ใช่ดับมันจะจดจำหรอก ioè, ดูแล้วต้องมันดับมันเห็นไฟไหม้บ้านก็ต้องรีบเปล่าหน้ามาดับมันไม่ใช่นั่งดูมันเฉยเฉยว่าไฟไหม้บ้านไหมนะต้องเอาสติอปัญญามาใช้สองตัวเนี้ยตอนแรกเอาสติก่อนปัญญามันยากกว่าสติมันง่ายแค่พุทโธพุทโธเดียวก็ได้แล้วสวนมนต์ไปนี่ก็มีสติแล้วใ่ไห ไปเราสวดแล้วก็ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้แล้วนี่เรียกว่าสตานะิส่วนปัญญาต้องเห็นว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเราก็จะปล่อยแล้วไม่โลภไม่ไม่ไปอยากกับเขาได้ข้าจน ะ, ะ<ม>เดี๋ยวจะให้คำถามของคนอื่นเข้ามาถามว่าม า, มาทาง Facebook ถามจากคุณพันธิตอยากให้คนในครอบครัวฟังธรรมะเราจะบอกเขายังไงดีคะอยากยังไงเป็นกิเลสเลยว่าคือบอกได้แต่อย่าไปอยากนะเดี๋ยวอยากแล้วพอบอกเขาแล้วเขาไม่เขาไม่สนก็จะโกรธเขาแล้วจะเสียใจ บอกเขาว่าเออมีธรรมะนะถ่ายทอดสดทุกบ่ายสองโมงเข้าไปในเฟซบุ๊นี่ดูได้ตลอดเวลามีทั้งของเก่าของใหม่ให้ดูให้อ่านออถ้าไม่พอก็เข้าไปในเว็บไซต์ออหรือมาวัดมีหนังสือก็เอากลับไปวางไว้ที่บ้านออบอกเขาว่ามีหนังสือธรรมะ อ, อ่ะอยากจะอ่านก็อ่านนะออแต่อย่าไปอยากอย่าไปเคี่ยวเข็นเขาเออ เดี๋ยวจะเป็นเรื่องกันไปเที่ยวเขียนคนที่ก็ไม่อยากจะอ่านเขาก็โกรธเราล้วก็โกรธเขาขึ้นมานะบอกได้บอกบุญได้แต่แต่อย่าไปเที่ยวเข็ยนให้เขาทําตามที่เราบอกอยากให้เขาฟังธรรมะก็เปิดธรรมะให้มันดังล้นบ้านไปสิเดี๋ยวเขาก็ได้ยินได้ฟังไว้เองอือใช่ว่ามา คำถามจากคุณตู่เรื่องการกลับชาติมาเกิดมีจริงหรือไม่ครับหรือเป็นแค่ลวงโลกแล้วนี่ก็พูดมาตั้งชั่วโมงก็พูดเรื่องกลับมาเกิดเนี่ยเปลวงตรงไหนไอเราลวงตัวเราเองเรากลับมาเกิดยังไม่รู้ว่าเรากลับมาเกิดจะได้ทำไปคำถามจากคุณนายปะระภนิชานจำเป็นต้องบวชไหมคบ นินแดนนิพพานมีสภาวะอย่างไรแล้วบุญบา ร, รมีต่างๆจากพระอริยะเจ้าจะสมบา ร, รมีมาคุ้มครองแก่ลูกศิษย์ไหมครับนิพพานคือการไม่มีกิเลสไม่มีความโลภความโกรธความหลงของใจเราเนี่ยไม่ได้เป็นนินแดนไม่ได้เป็นสถานที่เป็นจิตใจที่ปราศ จ, จากความโลภความโกรธความหลงเราต้องอาศัยบา ร, รมีคือสติปัญญาบา ร, รมีของพระอริยะเจ้ามาสอนเรา เพื่อเราจะได้รู้จักวิธีทําลายความโลภวาโกรธหลงที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปถ้าไม่มีพระอริยเจา้าไม่มีพระพุทธเจ้าเราจะไม่รู้จักวิธีที่จะทําลายความโลภความโกรธความหลงได้เราก็จะไม่สามารถทําให้ใจเราเป็นนิพพานได้เราจรึงต้องอาศัยบรารมีของพระพุทธเจ้าของพระอริยเจา้าคือสติปัญญาบรารมีนี้ที่จะสอนให้พวกเราหยุดความอยากหยุดความโลภหยุดความโกรธหยุดความหลง พอเราหยุดมันได้หมดเราก็ถึงนิพพานหลุดพ้นจากความทุกข์ใจที่เป็นนิพพานก็ไม่มีความอยากที่จะพามาให้มาเกิดใหม่คาถามจากคุณลั์สุขภาพสถานที่มีผลกับการทำสมาธิอืืนไหมคะหนูทาสมาธิได้ดีเมื่ออยู่ในห้องพักที่บ้านอยู่ที่อื่นก็พอดีบ้างแต่ต้องคุ้นชินชักสักวันสองวันคะ่ะ สถานที่ก็มีส่วนช่วยสถานที่ที่สงบนี่มันจะทําให้นั่งสมาธิได้ง่ายกว่าสถานที่ที่มีเสียงหรือก็กทึกเคือคนะแต่ก็ไม่ได้เป็นปัจจัยตัวเดียวปัจจัยอื่นก็สําคัญคือสติถ้าไปอยู่ที่เงี ย, งยบๆแต่ไม่มีสติใจก็ฟุ้งซ่านได้คิดเรื่อยเปื่อยน้อยแปดพันประการนั้นก็ต้องมีสติด้วยมีที่ที่สงบด้วยช่วยกัน คำถามจากคุณโมนีสัตว์ที่เกิดมาชาตินี้เช่นหมาแมวถือว่าเขาเกิดมาใช้กรรมหรือเปล่าคะเข้ามนุษย์ถึงเกิดมาใช้กรรมแต่ก็ยังมีโอกาสสร้างบุญได้แต่สัตว์เหล่านี้ไม่มีโอกาสเลยยิ่งเกิดเป็นสัตว์ที่ไม่มีคนเลี้ยงยิ่งลําบากมากคะ่ะเหมือนอยู่ไปวันๆขอคําชี้แนะจากพระอาจารย์ด้วยคะ่ะเกิดถ้าทํำบาปคือไม่รักษาศีลห้ ก็มีโอกาสไปเกิดเป็นม้าได้<ม>ก็ไปใช้บาป<ม>ถ้าไม่รักษาถ้ารักษาศีลได้ก็ไม่ต้องไปเกิดเป็นหม้ากลับ ม, มาเกิดเป็นมนุษย์ได้ท่านคำถามจากคุณกาญจนาเวลานั่งสมาธิรู้สึกจิตตลอดรู้ตัวจิตตลอดแต่ในห่วงที่เรียกว่าผวังเหมือนฝันว่าได้ไปสถานที่ที่หนึ่ง แต่เห็นแบบเดียวแล้วรู้สึกตัวขอขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายอาการในภวังคืออย่างไรเจ้าคะก็หลับมัง่งนั่งนั่งหลับไปนั่งถ้านั่งสมาธิจริงๆมันไม่มีมันไม่มีอะไรให้รู้ให้เห็นมันมีแต่ความสงบมีแต่ความว่างความสุขความสบายใจความเบาอกเบาใจนั่งแบบนี้แบบนั่งแบบไม่มีสตินะ ถ้านั่งแบบมีสติมันต้องพุโทโธพุโทโธไปอยู่เรื่อยๆถ้านั่งเฉยๆเดี๋ยวมันก็ตกผวังเดี๋ยวก็ไปเห็นหนูน่นเห็นนี่เป็นมาคําถามจากคุณสิทธิศักดิ์น้าสมาธิจนกระทั่งจิตนิ่งแล้วให้รู้ให้รู้อะไรครับใช่ให้รู้ว่ากําลังนั่งอยู่กําลังหายใจอยู่ใช่ไหมครับถ้ายังรู้อยู่กับลมหายใจก็ยังว่ายังแสดงว่ายังไม่นิ่ง ตอนนึงแล้วมันจะหายไปหมดลมหายใจรูปเสียงกลิ่นรสก็จะหายไปเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวรู้แต่รู้แต่ผู้รู้ตัวเดียวคถามจากคุณสิคิสตน์นผมต้องไปต่อสู้กับคนไม่ดีที่มีอำนาจขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ด้ครับแพ้เป็นพระชนะเป็นมารอย่าไปสู้กับใครสู้กับกิเลสเราดีกว่า สู้กับคนอื่นถ้าชนะเขาเขาก็โกรธเราเกลียดเราถ้าเขาถ้าถ้ า, ถ, า, าถ้าเราชนะเขาถ้าเราแพ้เขาเราถ้าก็ชนะเราเราก็จะโกรธเกลียดเขาดังนั้นอย่าไปสู้กับคนอื่นสู้กับกิเลสเราดีกว่าชนะตนดีกว่าชนะผู้อื่นนะพระพุทธเจ้าบอกว่าการชนะผู้อื่นเป็นหมื่นเป็นแสนก็ก็ชนะตนไม่ได้ชนะตัวโลกตัวอยากตัวโกรธนี้ไม่ได้นะครับ พอเราชนะตัวโลภตัวอยา่างตัวโกรธนี่แล้วใจสงบมีความสุขถ้าไปชนะคนอื่นใจก็วุ่นวายเพราะเขาจะโกรธเกรียดเราก็าจะอาฆาตพยาบาทเราถ้าเขาชนะเราเราก็จะโกรธเกลดเขาอาฆาตพยาบาทเขายันให้เอาเอาชนะตนดีกว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารคำถามจากคุณวาฒนา สวดมนต์ทำวัดเย็นนั่งสมาธิเสร็จแล้วบางครั้งลูกจะนอนในห้องพระมีความรู้สึกว่ามีความสุขอยากนอนในห้องพระลูกอยากรู้ว่าผิดไหมคะมันมีสถานที่ที่เหมาะสมก่อ ก, การกระทั่ต่างๆถ้าอยากจะนอนก็มีห้องนอนก็ไปนอนที่ห้องนอนะถ้าองพระก็มีไว้สําหรับไหว้พระสวดมนต์ต้องอาหารก็มีไว้กินอาหารไม่ใช่ อยากจะนอนในห้องอาหารก็นอนมันเลยอย่างนั้นก็เป็นหมาเ้างั้นหมามันอยากจะนอนที่ไหนมันก็นอนได้แต่ถ้าเป็นมนุษย์มันต้องรู้จักกาลเทศะรู้จักสถานที่รู้ว่าที่ตรงไหนเหมาะที่ตรงไหนไม่เหมาะต่อกิจกรรมอะไรใช่ไหมห้องพระมีไหว้ไหว้พระสวดมนต์ไว้กราบไหว้บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่ไปนอนแผ่สองกระหลืออยู่ในห้องพระ ห้องนอนก็ไม่ใช่เป็นที่ห้องมานั่งไหว้พระสวดมนต์นอกจากเราไม่มีห้องพระเราก็อาจจะใช้ห้องนอนเป็นที่นั่งสมาธิก็ได้แต่ต้องต้องรู้จักแยกแยะเป็นเวลาไปว่าเวลานี้ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิพอเสร็จแล้วก็นอนก็นอนไปคําถามจากคุณหญิงรอยอังคารควรรอยช่วงไหนคะแบ่งไว้กับไหว้แล้ว เข้ากระดูกของพ่อได้ไหมคะลอยตอนที่มีน้ำสิเวลาน้ำลงอย่าไปรอยลอยตอนที่น้ำขึ้น <laughs> ทะฮถามจากคุณสายน้ำที่บ้านเลี้ยงปลาไว้ในตู้แต่จะเอาไปปล่อยจะบาปไหมครับปล่อยก็ดีมันจะได้เป็นอิสระอยู่ในตู้ก็มันติดคุกดีๆนี่ ถ้าเราต้องถูกขังในบ้านนี้กับให้เราได้ออกไปเที่ยวนี้เราจะเอาอะไรหมดแล้วเลยอ่า YouTube บเลยคำถามจาก YouTube คำถามจากคุณเพชรเมื่อก่อนเคยได้ยินได้ฟังคำมาแต่ไม่เคยทำตามมาตอนนี้ถ่งมองเห็นแสงแห่งพระธรรม ถามว่าทําไมหนูมองไม่เห็นธรรมนั้นครับเมื่อก่อนไม่มองไงไปมองอย่างอื่นนี่ไปมองภาพยนตร์ไปมองศูนย์การค้าไปมองกระเป๋ารองเท้าไปมองเสื้อผ้ามันก็เลยมองไม่เห็นธรรมพอตอนนี้มาเข้า y o u ูทูปมาเข้าเฟซบุ๊กมาอ่านหนังสือธรรมะมันก็เลยเห็นธรรมขึ้นมาดันั้นพยายามมองธรรมอยู่เรื่อยๆมันจะได้เห็นธรรม เราจะได้นำมาไปปฏิบัติทำให้เราได้มีความสุขให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ออกันปวดแล้วใช่้ย ม, มอีกสเอาเลยมีก็ว่าไปเรื่อยๆอ่าคำถามจากคุณกิจกลับเรียนถามพระอาจารย์พระโสดาบันทำไมเวลาตายจึงต้องปิดอบา ย, ยภูมิเพราะอะไรครับ อ, อ๋อเพราะว่าจิตของเขามีสติปัญญามีแสงสวา่าง เขารู้ว่าทางไปอบายไปทางไหนทางที่ไม่ไปอบายไปทางไหนเขาก็ไม่ไปทางอบายเท่านั้นเองคนที่ยังไม่เป็นโสดาบาันนี่ยังเป็นเหมือนคนตาบอดอยู่ก็เลยไปตามความรู้สึกความรู้สึกที่ทำบาป ก, ก็จะพาให้ไปอบายคำถามจากคุณวัวทิพย์ นั่งสมาธิพักสามสิบถึงสี่สิบนาทีแล้วใจไม่ขุดโทรต่อโดยไปกําหนดรู้หายใจเข้าออกแทนแต่จากนั้นรู้สึกเหมือนโลกหมุนปัดตาอยู่หัวเราหมุนตามไปด้วยเป็นวงกลมเหมือนโดนจับปั่นมันหมุนสุดๆเลยเหมือนตัวเราสั่นๆด้วยก็กําหนดรู้ก่อนแต่รู้สึกว่าหมุนจนเวียนหัวเลยออกจากสมาธิลืมตามองสิ่งของตรงหน้า มันก็ไม่มันก็ไหวไหวไปไหวมาแต่ก็มีความรู้สึกสบายใจอยู่เจ้าคะ่ะอย่างนี้ควรจะดูอาการนี้ไปหรือควรเปลี่ยนอริยาบทเป็นเดินจงกรมแทนเจ้าคะคือไม่รู้เหมือนกันว่านั่งยังไงนะถึงเป็นอย่างนี้มันควรจะนั่งแล้วมีพุทโธอย่างเดียวไปหรือดูลมอย่างเดียวไปมันก็จะไม่มีอาการเหล่านี้เกิดขึ้น ถ้ามีแสดงว่าเราไม่ได้อยู่กับพุโทโธแล้วเราไม่ได้อยู่กับลมหายใจแล้วงั้นส่วนจะเดินหรือจะนั่งก็แล้วแต่อยากจะเดินต่อก็เดินไปอยากจะนั่งต่อก็นั่งไปแต่นั่งให้มันถูกนั่งให้มันสงบนั่งอย่าให้มันเกิดอาการต่างๆขึ้นมาคำ ถ, ถามจากคุณจอยรู้สึกว่าใจไม่สงบมาวุ่นจะทํายังไงให้สงบมีสติคะก็ฝึกสติค่ะ อาบบริกรรมพุโทโธไปทั้งวันนะตั้งแต่ตื่นขึ้นมาพอลืมตาก็พุโทโธพุโทโธไปไม่ว่าทํากิจกรรมอะไรก็พุโทโธไปหยุดพุดโทโธตอนที่ต้องใช้ความคิดกับการทํางานพอไม่ต้องใช้ความคิดก็พุโทโธไปพองานบางอย่างนี่เราไม่ต้องใช้ความคิดเนี่ยเป็นอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันนี้มันไม่ต้องใช้ความคิดก็พุโทโธไปอย่าปล่อยให้มันไปคิดเรื่องราวต่างๆ วเวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบจะไม่คิดอะไรได้คำ ถ, ถามจากคุณไปลี่ทําไมข้อที่เสียไปสองปีแล้วยังฝันเห็นท่านมาหาบ่อยเป็นเพราะอะไรคะเพรเราคิดถึงท่านเหรอสยความคิดของเราเวลาเราหลับความคิดของเราก็เป็นความฝันนี่คำถามจากคุณจูน เวลาจิตหลงมาเป็นเราหลงไปในอารมณ์ต่างๆหลงในความคิดต่างๆแล้วพอเราคิดว่าจิตไม่ใช่เราตัวไม่ใช่เราเหมือนเราเหมือนอารมณ์เราจะห่างๆในความคิดนั้นในตัวตนของเราสามารถปฏิบัติแบบนั้นได้ไหมเจ้าคะ่ะก็เราปล่อยวางตัวตนได้ก็ใช้ได้อหมดแล้วใช่ไหม<ๆ> อ, อ่ก็ปฏิบัติเพื่อปล่อยวางตัวตน ความจรงไม่มีตัวไม่มีตนแม้แต่จิตเองก็ไม่ใช่ตัวตนจิตก็เป็นตัวรู้เท่านั้นเองส่วนร่างกายก็เป็นดินน้ำหนุนไฟทีนี้ตัวหลงมันมันทําให้เราคิดว่าเราเป็นร่างกายเราเป็นจิตแต่เราเนี่ยมันออกมาจากจิตมันออกมาจากความคิดของจิตเองงั้นเราก็อยู่ที่จิตนถ้าจิตหยุดคิดเราก็หายไปเวลานั่งสมาธิจิตสงบ ตัวเราก็จะหายไปเพราะตัวคิดมันหยุดเนี่ยหยุดคิดหยุดจําตัวตนก็หายไปตัวเราก็หายไปก็เหลือแต่ตัวรู้ตัวรู้เนี่ยเป็นตัวจิตที่แท้จริงเราต้องการเข้าถึงตัวนี้แล้วก็ยืนอยู่บนตัวนี้ยืนอยู่บนตัวรู้ให้รู้เฉยๆเห็นอะไรก็ให้รู้เฉยๆได้ยินอะไรก็ให้รู้เฉยๆ อย่าไปคิดว่าเรารู้จะไปคิดว่าเราเห็นเพราะถ้าไปคิดว่าเรารู้เราเห็นแล้วจะเกิดความรักความชังขึ้นมาถ้ารู้เฉยเฉยไม่มีใครรู้ก็จะไม่มีความรักความชังให้สักแต่ว่ารู้รู้โดยที่ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงแล้วจะไม่มีความทุกข์ความทุกข์เกิดจากเกิดจากความรักความชังความกลัวความหลงนี้เอง หมดแล้วใช่ไหมมีมาอีกข้อนึ่งค่ะาวข้อสุดท้ายไหมคาถามจากคุณเตยทะเลเราจะสอนคนที่ยึดมั่นถือมั่นในตัวเองมากๆอย่างไรดีคะสามีเป็นคนชอบโทษทุกอย่างรอบตัวเวลามีเรื่องผิดอะไรเขาเข้าใจผิดขึ้นมาทุกครั้งพยา ย, ยามพูดบอกให้เขารู้จักยอมรับว่าตัวเองนั้นไม่มีมีส่วนไม่ดีและควรปรับปรุง ขอคําแนะนำจากพระอาจารย์ด้วยค่ะควณสอนตัวเราก่อนนะอย่าไปสอนคนอื่นเลยสอนคนอื่นแล้วเดี๋ยวมีเรื่องก็ mm hmm. เดี๋ยวเขาไม่อยากจะฟัง mm hmm. เขาก็จะโกรธเกลียดเรายิ่งยิ่งทําให้เป็นเรื่องใหญ่บานปลายขึ้นไปสอนตัวเราเองให้หู ป, ปากอย่าไปยุ่งกับเขาสอนให้เราปล่อยวางเขาแล้วเขาก็จะสบายใจแล้วเขาก็จะดีขึ้นไปเองบางทีที่เขาไม่ดีก็เพราะาเราไปไปพูดไปอะไรทําให้เขาลาคาญหู อย่นอย่าไปสอนเลยสอนตัวเราเองก่อนสอนตัวเราให้สงบให้ปล่อยวางให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปสอนคนอื่นไม่การสอนคนอื่นนี่ต้องสอนด้วยวิธีปฏิบัติของเราด้วยการทําตัวของเราไม่ใช่ด้วยการพูดการพูดคล้ายๆก็พูดได้เธออย่าโลภนะเธออย่าโกรธนะแล้วตัวฉันนะแล้วตัวเธอเราโลภหรือโกรธหรือเปล่าเนี่ใช่ไหมตัวเองต้องไม่โลภไม่โกรธก่อนแล้วค่อยไปสอนคนอื่นว่ามันอย่าโลภอย่าโกรธ แล้วก็ต้องสอนคนที่เขาอยากจะรู้คนที่เขาไม่อยากฟังก็อย่าไปสอนเขาจะรำคาญเนาะแล้วเขาจะโกรธเกลียดเรานะเน้นตอนนี้อย่าไปสอนเขาเลยสอนตัวเราก่อนดีกว่าสอนให้เราสบายใจกับความความไม่ดีของเขาให้ได้ก่อนตอนนี้เรามันไม่สบายใจเพราะความไม่ดีของเขาเ้าอยากจะให้เขาดีเราจะได้สบายใจอันนี้เป็นวิธีแก้ผิดเราต้องมาแก้ที่ใจของเราแก้ที่ความอยากของเราให้เขาดี